พระธรรมเทศนาแผ่นที่หนึ่งลำดับที่21อดโดยหลวงพ่ออินถวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีสแสดงธรรมเมื่อวันที่ส3าธันวาคม2556หมีชื่อเรื่องว่าให้รู้จักศีล ร, รู้จักภาวนา สามปีให้หลังหลวงพ่อไปไปอินโดนีเซียเปาภาษาบาลเฮ้าเดือนเนาะเบิ่งๆบิคือมีพี่น้องทั้งเมืองกุ้งมังในคงจะมีบอกกี่คนผู้ที่เป็นพี่น้องทังเมืองกุ้งก็ให้พยายามเรียนภาษาทักงนี้แด้เนาะการเข้าภาษาทานหนึ่งเข้าไปพุ่นเข้ากันยังเดาะไทยน้ำเพิินเป็นบอ่อะ ขั้นพนมาทางนี้พนมก็ต้องร้องภาษาอีสานน้ำเห่านี่คอยถึกเมนบอละ่ะเพราะนั้นหลวงพ่อจะบอกภาษาบ้านเห่านะฟังง่ายๆนะเมื่อสองสามปีภายหลังหลวงพ่อไปอินโดนีเซียบอกให้ลูกให้หลานฟังพ่อไปหอดหลวงพ่อกคคิดว่าต่างประเทศพ่อไปหอดแล้วก็นี่แหละจังแางยม่มากี่ละ่ะเขาไหวพระ เขานั่งเป็นแถวเนี่ไปเข้าไหว้พระอ้เข้ากระตื่นคือกันนีรงพ่อกันอู้เขาว้าวได้เขาบอกเก่งว่าพ่อว้าอาาไอ้ไหว้พระเสร็จเรียบร้อยบาทไหว้พราเาอีกต่งหากเน้ยบาทในอาลัธานาศินอาทธนาสินเขาวาวพร้อมกันเนี่เขาบริว่าวขึ้เข้าเลเว้าพร้อมกันมดถุกคนลยไปอาลัธนาสิน เอ่ยายังพันเตติสารณนนัชฮาปัญจะศิลานิยาจามะเขาว่าวพอมกันพ่อแล้วลราบัานอัลลาธนาปลิตเอ่ยวิปติปฏิภายาสัพสัมปฏิสิทธิญาเขาก็าว่าวพอมกันดีว่าเป็นเจ้าวะเออแปลกบ่าบานนี้ยเขาอัลลาธนาช่อนเที่ยวดาเนี่บัานนี้ สมันตาจักรวาเลโซอันตราคาัดชั้นตุเทวาตาเขาก็ว่อมพรมกันอีกออ้มาหาแนี่ผมมาจากโลกกาที่บางกีนี่นะเขาก็ว่อมพรมกันอีกลงพ่อโอเก่งกวะ่ะเก่งกว่าเมืองไงเขาแล้ววานนี้วะที่แรกเคยคิดว่าเมืองไทงเขาเป็นเมืองของพุทธศาสนาศึกษากันมาตกก่งนนางโน้นนั่น บาท่าแล้วสู่อินโดนีเซียไปแล้วเพราะนั้นหลวงพ่อขับมาเมืองไทยหลวงพ่อจะไปสวดมนต์อยู่ไสในบ้านเขาด้วยจะไปสวดมนต์อยู่ในบ้านหลวงพ่อเออเอาไหว้พระพร้อมกันพอไหว้พระพร้อมกันเอา้าอาราธนาศีลพร้อมกันพออาราธนาศีลเลยอ้าวอาอราธนอาราธนาพระปรลิตพร้อมกันเอา้า พวกเราคณะชาติโยมซักเขกาเมิพร้อมกันแล้วก็เอา้าอาราธนาเทศพร้อมกันหลวงพอจะให้บอกพร้อมกันเพราะเหตุใดพ่อไปเห็นประเทศเขาแล้วโ อ, อ, อ้เมื่อเข้ามิจต่ายกเป็นผูผ้านําบาธาท่ายกบมาเลยเออท่ายกบอ ม, ม่ออ า, มา ผ, ผูผ้าผูหน่าบอมา่า พวกเข้าเนี่เลี้ยวหากันหโหลกเล็กหลกเล็กหลงลงไปเออเพราะว่ามันว่ามีผู้นำเลยเออคันธวาย่างประเทศของเขาเนี่ยถึงท่ายกบอมากระตามแต่ว่าพวกเข้าเนี่ยบ่อไหนเมื่อทุกคนขืนพร้อมกันเบาพร้อมกันเลยเนี่ยหลวงพ่อว่าโอเออมีประโยชน์สาหรับพวกกลุ่มพุทธศาสนิกชนของพวกเข้าอย่างประเทศ ขมาก็ดีสีรังกาก็ดีที่เขาอาราธนาอย่างเชิญเทวดาใช่ไยังวิปติปฏิภาหายะแล้วก็สมันตาจักกวาเรสซเนี่ยเขาจะเชิญเทวดาพร้อมกันแต่เมืองไทยนะให้พระเป็นภูชวนเชิญเทวดา แต่พวกเขาเน่ยเขาเป็นผู้เชิญเท ว, วดาคณะทัตธาญาติโยมเชิญเท ว, วดาเองนี่แหละแต่หลวงพอบอกว่าพวกคณะทัทธาญาติโยมเชิญเท ว, วดาเนี่ถูกต้องเอพราะเหตุใดเพราะว่าการัเชิดเท ว, วดาเนี่ยบรมนจะให้พระเชิญมันต้องเป็นคณะรัทธาญาติโยมเชิญมันจึงจะถูกคนอะไปเพราะ กิจาการหรือว่าทำบุญบา้านเจ้าของบ้านก็ต้องเชิญทั้งเทวดาด้วยเชิญทั้งมนุษย์ด้วยเชิญที่แขกที่เห็นด้วยแขกที่ไม่เห็นด้วยแขกที่เป็น เ, เทวบุตรเทวดาอินพรมนีน่แหละลงพอวา่าเพราะฉะนั้นพวกคณะสัท่าญาติโยมลูกหลานฟังไปเนอะไปในสถานที่ไหต้องเฮียนไว้เรื่องอราธนาเทศอราธนาผับผลิต อลาธนารรมเป็นนาทีของพวกคณะทชาญาติโยมให้ศึกษาเรียนเอาไว้นะพวกกล้องทั้งหลายยุติจารหน้าห้ามทายกล้องมีแ่แฝดมันเหลื่อมตาวะ่ะอย่าไปทายกล้องอย่าไปทายลูกวะ่ะงดซะก่อนวันนี้เป็นวันทําบุญใหญ่ของพวกเข้าคณะทชาญาติโยมลูกหลานทุกคน หลวงพ่อเองไปนสถานที่ใดหลวงพ่อจะม่องม่องเบิงดูคณะสัท่ายาิโยมทีมาสูวัดถ้าหากว่าถือขาวดำใชุ้ดขาวผมดำอันนี้แปลว่าบวดชี้พร่ามแล้วก็สัท่ายาิโยมพุทธ่ม่าหลวมงานยางหน่อยก่อมีสินหามายางพันเตวิสูงวิสูง เรามายางพันเตติสระเนนทาหะปัญจศีลานิยาจามะคณะที่พวกเข้ามาร่วมกัน อ, อย่างมือนีละพวกเร า, เามาพร้อมกันอ า, อารัธนาไหวาพระเสียละอารัธนาศีนรับศีนเพราะนั่นมืนีก็เป็นวันมงคลมหามงคลสำหรับพวกคณะสัทยาญญาโยมแต่ว่าคณะสัตธาญญาโยมเคยสังเกตบอก บางที่อราธนาศิล์นมายังพันเตวิสูงวิสูงรักนัทธายะติสระเนนทสหปัญจศีลาธยาจามะบางขง้างผมมายังพันเตวิสูงวิสูงบางขง้างบางข้งมายังพันเตติสระเนนสหปัญจแต่รับศิลคือกันรับศิลหาขือกันเป็นอย่างนีงเป็นท่านพวกเข้าได้สังเกตพวกลูกหลาน ศิลหรือว่าศินเป็นสองมาตรฐานอรรธนาศินสิทหาคือกันเป็นอย่างยั่งเบาปรคือกันอันนี้คือหากว่าพวกเข้าจะตั้งแง่สงสัยก็ได้ความสงสัยนะแต่ถ้าเว้นเสียภาษาของพระ่าไปวิจารณ์จะไปห้าคืดขั้นเบาไปกันเดี๋ยวบาปไปเบาบวถึกเข้าไปวิจารณ์เรื่องของพระเดี๋ยวก็เป็นบาป เอออันนี้ท้าว่าคเกิดใจจังสันกน็แล้วไปแต่ท้าว่าฟีจารเนี่ยเป็นอย่างอาราธนาขอศินหาคือกันจังมาย่างพันเตนวิสูงวิสุงแต่บางแห่งมาย่างพันเตนติช น, นธเนรตาหะปัญจศีลาเป็นอย่างบาเบ า, บา ข, ขึ้นกันนนะแต่ความหมายก็บ า, บาขึ้กันขึ้นกันนะคณะทะ่ายญาติโยมฟังเนื้อบาดเนี่ยต้งพอจะสีแจงให้ฟังคือนมาอย่างพันเตนวิสูงวิสูงเนี่ยเพราะว่าผู้ขาทั้งหลายบ่มันใจ ในการจะรับสินเพราะนั่นขาพระเจ้าพวกขาพระเจ้าจะรับสินเป็นขอขอขอที่นึ่งถึงขอที่หาเป็นขอขอคืออย่างใ่ครายกว่า เ, เป็นรับสาย ส, ส, สินเป็น เ, เป็นอข อ, ขอแต่ว่าปัญจะศีล่านี่ยพวกขาพระเจ้าจะรับสินพร้อมกันทั้งห้าคอและความหมายคือจังไรบ่คือการรับสายสินทั้งห้าคอเนี่ย ร่วมกันปัญญศีลาน่ยคณะว่าสินขาดขอได้ขอเดิงแปลว่าขาดเมื่อทั้งหาขอแปลว่าขาดพวดพร้อมกันเลยพราะเรารับรวมกันทั้งหาขอแต่วิสูงวิสูงเนี่ยจะขาดเป็นขอขอเมื่อรับไปแล้วผู้ขายจะรับสินเป็นขอขอบอกเพราะความบ่มั่นใจพอไปขายยุ่งศินขอที่หนึ่งก็ขาดพอเดินออกจากซาลานี่ ไปเห็นรองเท้าสวม่องเท้าเพิ่นไปขโมยมันออกไปสินขอที่สองขาดพ่อไปเห็นลูกเมียสามีภรรยาของเขาไปพูดกอแกะกับเขาศินขอที่สามขาดไปเห็นเขาขี่ตัวเขาอีกศินขอที่สี่ขาดไปเห็นมู่เขาตั้ง ม, งม่งกินเหล่าไปกินเหล่ากับเขาอีกขาดแปลว่าขาดเป็นขอขอจังหวะวิสูงวิสูงเนี่ย ขาดเป็นห่อๆแต่มาอย่างพันเตติสารเนธสหปัญจะเนี่แปลว่าขาดเท่เดียวปวดเลยแหมแปลว่าใดกันใดเป็นหมูเป็นกลุ่มเป็นก่อนเลยเป็นบุญกุศลแหมแต่ว่าขั้นแหมขั้นขาดกับขาดไปเลยแต่หลวงพ่อวานี่งถ้าเป็นหลวงพ่อรักษาเนี่ยหลวงพ่อจะเอาเอาปัญจะศีล่าเนี่ยพ่อเห็ุใดขั้นใดก็ให้มันลุย้ยไปไล่หลอดกันไปไดก็ยุ้มก็ยิ้มก็จับก็แจ๊กนี่ วิสูงวิสูงเลยมัน่นใจแบบบอเป็นก่อนขั้นได้ก็ให้ได้เป็นก่อนไปเลยพเพราะว่าเท่าตั้งใจมือนี่เทาจะรักษาศินอยู่แล้วมัดมือมือหนึ่งก็คืนหนึ่งเท่าจะไปละเมิดเทียอย่างเท่าหรือความตั้งใจของเท่ามันก็เป็นศินคือเจตนาของเทาเป็นรักอยู่แล้วนี่ยอันนี้คือศินขอที่ห น, นะขอที่อาราธนาศินนะจากนั้นก็พระสงฆ์คนก็ที่เป็น ผู้ให้ศินกับว่านะโมตัสสะปะคะวะโตอระหโตสัมมาสัมพุทธัสสะข้าพเจ้าขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันต์สัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นอันนี้คือเลื่องเบาเรื่องศินน่นะบานเนี่ยเป็นอยังเข้าจึงก่อนจะรับสินเป็นอยังเข้าจีนอบนอบพระพุทธเจ้าก่อนเพราะว่าศิลหานี่นะเป็นศินของพ ร, พ, พระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าบัญญัติให้คณะ พระพุทธบริษัทของพระ อ, องค์ผู้ที่นับถือเหลื่อมใสในพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นฆราวาสญาติโยมควรจะมีกฎกติกากฎเกณฑ์ควรจะมีศีลหา้าศีลแปดอันนี้คือศีลของญาติโยมอันนี้เพิ่นให้รับศีลเพราะฉะนั้นเข้าจิรับศีลของเพิ่นเนี่ยพอพระพุทธเจ้าเป็นผู้เป็นต้นตอของศีลเป็นต้นความคิดเนี่ก่อนเขาจิรับศีลเพิ่นเนี่ยเขาก็ต้องนอบน่อมซะก่อน นโมตัสสะปะคะวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะข้าพเจ้าขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันต์สัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นอันนี้คือเล่าพวกเข้าอัลลั่มลึกถึงพระพุทธเจ้าสกปรกที่เข้าจะรับศีลจากนั้นก็พุทธทางสรานางังคัจฉามิธรรมมังสรานางังคัจฉามิสังขังสรานางังคัจฉามิ ข้าพเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงค์ว่าเป็นสารณะเป็นทีพึ่งพระพุทธเจ้าเป็นผู้ลูดีลูดชอบโดยพระ อ, องค์เองจึงได้ประกาศพระธรรมคัมศัตรูน 80, สี่พันพระธรร ม, มาขันศีลหาก็คือศีลอยู่ใน8ป0 0 0ี่พันพระธรร ม, มาขันคือกันศีลแปดศีลอุโบสถเป็นพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าทั้งมดัดเฮาจึงของนอบน้อม ยึดพระธรรมคัมภีรของพระพุทธเจ้าเป็นศาสนเป็นที่สิ่งว่าธรรมังสารานางคัจฉามิสังขังสารานางคัจฉามิข้าพเจ้าขอถึงพระสงฆ์พระสงฆ์สาวก ข, ของพระพุทธเจ้าเตรน้ำพระธรรมคัมภีรของพระพุทธเจ้ามาประกาศมาเผยแผ่ให้กับพวกเข้าขั้นว่าพระสงฆ์มันบรินำพระธรรมคัมภีรออกมาประกาศมาเผยแผ่ให้กับพวกเขานี่พวกเข้าจะรู้ คุณค่าของพระธถ้ำรูปคุ้นค่าของพระพุทธได้จังใดพ อ, อนั้นเท่าจึงเมื่อพระสงฆ์ได้นาํามถ้ำข้าสอนของพระพุทธเจ้ามาประกาศเผยแผ่จังสิเท่าจริงยึดพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ว่าเป็นสารณะเป็นที่พึ่งขพุธทธังธรรมังสังสังขังสรารนางขจฉามิและก็ยืนจันเป็นครั้งที่สองดุติยำปีพุธทธังธรรมังสังขังสรารนางขจฉามิ ขอยืนยันไปอีกครั้งที่สามตาติยัมปิพุทธังธรรมังสังขังสารนังคัตฉามิอันนี้ก็คือเรายึดพระพุทธทเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นสาระเป็นที่พึ่งของพวกเข้าจากนั้นก็กล่าวเป็นองค์ศีลละบาลปานาทิปาตาเวระมณีสิกขาปะทังสามาทิยามิข้าพระเจ้าจะงดเว้นในการฆ่าพระพุทธเจ้าพนว่าพวกเข้าเป็นพุทธบริษัท อย่าคิดขากันเนอะขา่าวว่าเฮ้าไปข่าผู้อื่นข่าพ่อข่าแม่ข่าสามีภรรยาลูกหลานของเขาหยาดติโกโหติกาของเขาเขาก็เสียใจถ้าเขามาข่าพ่อแม่พี่น้องลูกหลานของเขาเขาก็เสียใจเช่นเดียวกันเพราะนั้นอย่าคิดขากันให้เคารพสิทธิ์ถึงกันละกันอันนี้คือศินขอที่หนึอย่าคิดขากันขอที่สองอย่าคิดข่ามุ่ยกันเนอะ ถ้าเป็นเข้าไปขโมยของเขาสิ่งของของเขาเขาก็เสียใจถ้าเขามาขโมยของเขา้าเ้าก็เสียใจเช่นเดียวกันอยากไปเข้าไปขโมยพ่อแม่พี่น้องลูกหลานของเขามาเลียคาไทยยังสิ เ, в, เขาก็เสียใจถ้าเขามาขโมยพอม่พอแม่พี่น้องของเขา้าลูกหลานของเขา้าไปเรียคาไทยยังสิเข้าเสียใจเขาดีใจบ่กเขาก็เสียใจเช่นเดียวกัน เพราะนั่นให้เขารบสิทธิสึกกันแล้วกันเนออย่าขาโมยกันอันนี้คือท่าม ท, ท่าสอนของพระพุทธเจ้าคือศินขอที่สองข้อที่สามกาเมศุมิจฉายจาราเวรามานีสามีภรรยาลูกเมียผู้ใดลูกหลานผู้ใดเขาก็หักสงวนห่วงแหนของเขาเฮ้าไปล่วงล้ำเขาเขาก็เสียใจถ้าเขามาล่วงล้ำเฮ้าเออบอสือสัตต์ต่อเฮ้าเออไม่บอคอลบสิทธิของเฮ้า อในสามีภรรยาของเฮ้าเฮ้าก็เสียใจยในเมื่อเฮ้าไปล่วงล้ำเขาเขาก็เสียใจยเช่นเดียวกันเพราะนั่นให้เขารบสิทธิ์ซึ่งกันและกันนะอันนี้คือสิขคอที่สามคอที่สีมุสาว่าท้าเวรมานี่อย่าไปโกหกต้มตุ๋นหลอกล่วงผู้อื่นเขาเด้อถ้าว่าเฮ้าไปโกหกต้มตุ๋นหลอกล่วงผู้อื่นเขาเป็นบอดีเอเมื่อเขามาต้มตุ๋นหลอกล่วงเฮ้าเฮ้าก็เสียใจยเช่นเดียวกัน สมมติว่าเขาเขียนเช็คแดงให้เฮ้าไม่ใช่เขาผมมีเงินในธนาคารแต่เขาเขียนเช็คให้เฮ้าแล้วเขาก็เฝ้านี้สักไม่ใชเพื่อโกหกเข้าเฮ้าแรงเช็คใบนั้นเฮ้าไปขืนเฮ้าก็เสียใจขึ้นกันเพราะเหตุใดเพราะเขาขี่ตัวเฮ้าเขาก็คือกันเฮ้าก็คือกันสรุปแล้วคือนสินหาของพระพุทธเจ้านี่เอาใจเขามาใส่ใจเฮ้าเอา ใ, ใจเฮ้าไปใส่ใจเขา ใ้เมื่อเข้าปะต้องการเขาก็จะไปเหตุให้ผู้อืน่นผู้อื่นคือกันใครให้เคารบสิทธิ์ของผู้อื่นคือกันให้มีความให้รักเคารบกันยาไปล่วงล้ำซึ่งกันและกันอันนี้คือสิลของพระพุทธเจ้าขอที่หาสุราเมรยมัชฌะปามา ก, การดื่มสุราและเมลัยเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทขั้นว่าผู้ใดก็ตามจิตเหล่าเสพยาเสพติด คันชายาฝิ่นเฮโรอีนยาบ้ายา마 ม, มีคูมม่มือนี้มีหลายอย่างยาเสพติดพ่อกินหร้วเสพเข้าไปแล้วทำให้สมองปั่นป่วนทำให้ขาดจติตในเมื่อค้นขาดจติตกินเหล้าเข้าไปขาดจติตเสพยาเสพติดเข้าไปขาดจติตเมื่อค้นขาดจิต่ะทาความชั่วทุกอย่างเพราะค้นขาดจติตคือค้นเป็นบาในชั่วระยะหนึ่งพราะขาดจติต เมื่อค้นขาดจิแล้วทําความชั่วข่าไพรใครข่าพอ่อข่าแม่ก็ไไรข่าสามีภรรยากระไรข่าม้อยพ้องไพรก็ะไรลาลาประหวงสามีภรรยาลูกหลานพ้องไพรก็ะไรโกหกต้มตูนไพรก็ไไ้เพราะมันขาดจิตเพราะเข้าโกหุอยู่แล้วขั้นดื่มหรือเสพของมึนเมาเข้าไปแล้วต้องขาดจิเนื่องว่าขาดจิแล้วก็ต้อง เมื่อขาดที่ดินทาความชั่วเสียหายเพร่ะนั้นขอให้พวกเขา้าคณะจัดท้าญาติโยมลูกหลานทุกคนทุกมูทุกเล่านะเรื่องศีลหานะเป็นศีลของโลกทําให้ความโลกทั้งหลายร่มเย็นเป็นสุขเพราะศีลของพระพุทธเจ้าพราะนั้นเมื่อนี้หลวงพ่อมาในสถานที่ห้างไกล หลวงพว่อจะได้เบอกเรื่องศีล ร, รมให้ให้กับคณะสัต์ท่าญาติโยมลูกหลานเพื่อเป็นแนวความคิดให้ลูกหลานได้ฟังแต่หลวงพ่อทราบนะว่าพวกคณะสั์ท่าญาติโยมที่นางนี่คงจะได้รับศีลมาแล้วศีลหามีแล้วศีลอุโบโสถมีแล้วก็ขอให้พวกเข้าเข้าใจว่าศีลหาของพระพุทธเจ้านี่มีความหมายจริงๆนะคณะสัต์ท่าญาติโยมเพราะว่าคู่บาอาจารย์เมื่อ คณะท่าญายง้อว่าระธนาสินเพิ่นก็ให้สินไปเลยเพิ่นก็ว่าได้อธิบายเรื่องสินให้กับคณะท่าญายง้อลูกหลานได้ฟังลูกหลานของเฮาเกิดใหม่ใหญ่ที่หลังสินหาในคืนยังหูโยบวขาสัตว์เอบกขโมยทรัพย์บอปเพื่อผิดในกรรมบอขี่ตัว๋วบอกกินเหล่าก็หูจักบอสินหาแต่ว่าคุณค่าของสินหานั่นนะมีประโยชน์จังไดมีคุณค่าจัางใด พระพุทธเจ้าจึงให้รักษาศีลหานีอันนี้ก็คือหาคู่บาอาจารย์อธิบายยังหลวงพอ่ออธิบายให้พวกคณะจัดท่าหยาดโยมฟังยากนะแ่เพราะนั้นเมื่อหลวงพ่อจึงได้บอกได้ว่าให้กับคณะจัดท่าหยาิโยมทั้งหลายเพื่อการศึกษาพวกเข้าจ ะ, ฉะเฉลียวฉลาดขึ้นมาได้ต้องอาศัยการได้ยินได้ฟังอย่างนักธํามคําสอนของพระพุทธเจ้าบรรดา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 ปัญญาเกิดจากการภาวนาทำจิตใจให้สงบเมื่อจิตใจสงบแล้วก็ทำให้พวกเราเออพิจารณาหาเหตุผลก็เป็นเหตุผลที่แท้จริงเพราะจิตใจของเราผ่านความสงบหนึ่งเป็นหนึ่งมาแล้วจิตใจไม่ปุง๋งไม่ฟุง้งไม่ศาสจิตใจไม่ออกนอกรูนอกทางจิตใจนิ่งจิตใจสงบเมื่อผ่านความสงบมาแล้วพิจารณา อันไหนที่เป็นเหตุเป็นผลก็รู้แจ้งเห็นจริงตามเหตุและผลด้นนั้นอันนี้เรียกว่าภาวนามยปัญญาไงเพราะนั้นพัวเข้าจะเฉลียวฉลาดคึอเมื่อใดต้องอาศัยการได้ยินได้ฟังสรุปแล้วเพราะนั้นเมื่อนี้ก็คือกันนั่นแหละหลวงพอ่อไม่เห็นคณะสั์ท่าญาติโยมพระสงฆ์ทางหลายน้องนงทางหลายาห ล, ายลวงพ่อก็จะได้ยิบแนวความคิดในพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้า พราะพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าท่านประกาศพระพุทธศาสนาไว้8ปดมสี่พันพระธรรมมาขันมากไมกแต่ครูบาอาจารย์แต่ละองค์นี่แหละเมื่อหลวงพ่อเทศนาจบลงไปแล้วก็คงจะมีครูบาอาจารย์ขึ้นเป็นองค์แสดงธรรมองค์ที่หนึ่งองค์ที่สองเพิ่นก็นจะยิบยบทําคํำสอนของพระพุทธเจ้ามาประเด็นหนึ่งมาบอกกล่าวให้กััทศาญาติโยมทั้งหลาย ได้ยินได้ฟังเพื่อการศึกษาองค์หนึ่งได้แนวความคิดหนึ่งองค์หนึ่งก็ได้แนวความคิดหนึ่งพวกเขาก็ได้ศึกษาในถรำข้าสอนของพระพุทธเจ้ากว้างขวางไปเรื่อยบัดนี้เขาก็จะรู้จักแนวทางเออวิธีการปฏิบัติศีลธรรมของพระพุทธเจ้าเป็นอย่างสี่จังสั้นเขาก็จะได้หูจักเพราะอาศัยการได้ยื่นได้ฟังเพราะคนเข้าจะเฉลียวฉลาดขึ้นมาได้ต้องอาศัยการได้ยินได้ฟังได้ บอลแมนจีพโลพลากขึ้นมากกับาฉลาดเอาเลยบอแมนจีตึงจีตั้งจิตั้งชื่อว่าฉลาดปันญาก็ตามขั้นบอลไอเล่าไดเรียนก็โง่ขึ้นเอานั่นและเพราะนั้นขอให้พวกคณะสัท่ายาิง้มลูกหลานเน้อเมืองหลวงพอจิแน่แน่วทาง เ, าเรื่องศีลก็หลวงพอแน่แน่วทางนล่นแหละกับเรื่องพร า, าวนานี่ะหลวงพอเองไปในสถานที่ใด หลวงพ่อเองก็พยายามพูดเรื่องวิธีการภาวนาเป็นอย่างในหลักธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าพ่อแม่ครูบาอาจารย์เนี่ยเพิ่นจึงภาวนาเพิ่นจึงให้ภาวนาแต่ว่ารัทธาญาติโยมว่าเออการภาวนาเนี่ยเป็นเรื่องของพระเป็นเรื่องของพระเป็นเรื่องของครูบาอาจารย์แต่พวกเขาก็แมนยุคนสอนแต่เข้าจักสิเหตุจังไรเนี่ยอันนี้ก็คือ แนวความคิดของสัทธาญาิโยมส่วนใหญ่ส่วนมากแต่ตามไม่จริงเป็นนาทีของพวกเข้าทุกคนนะไม่ว่าคณะสัทธาญาดโยมเพราะว่าพระในขังพุทธการญาติโยมในขังบพุทธเจ้บาบพุทธเจ้าไปเทศนาวาการที่ใดเพื่อจะกวาดสายตาดูจากนั้นเพื่อจะอธิบายเรื่องศีลธรรมเรื่องศีลธมาธิปัญญาอริยสัจจากนั้นพุทธบริษัทของพงค์ก็ได้สําเร็จ พระโสดาพระสกทาทาพระนาคาพระหันมากไม้เป็นคราว า, าดญาติโยมก็ได้สาเร็จมากสําเร็จผลมากในทางพระพุทธเจ้าเพราะนั้นเรื่องศีลธรรมเป็นนาทีของพุทธบริษัทสีอุบาสกอุบาสิ ก, กาภิกษุสมมามเณรควรจะศึกษาเพราะนั่นหลวงพอ่อมาเนี่หลวงพอ่อจะบอกเรื่องศีลนะครับคณะทาญาติโ ย, ยมฟังบาเนี่หลวงพอ่อจะบอกเรื่อง วิธีการปฏิบัติเรื่องภาวนานะ ค, ะนะครับนั้นสัตยานโยมนะคือการภาวนาเนี่ยหลวงพ่อเนี่ยถ้าจะโ อ, อ่ง์อื่นมาเบอกมาเปรียบเทียบหลวงพ่อกระวัฒนาใจเอาเรื่องของเจ้าของที่มาศึกษากับพ่อแม่ครูบาอาจารย์ยังหลวงพ่อเนี่ยเออเป็นเน่นหน่อยของหลวงปู่ล่าข้อนี่เป็นเน่นหน่อยเออเป็นนาคน่อยซะก่อนหลวงพ่อเนี่ย บวชมาแต่อายุสิอย่างสิบสองนะคณะทศถ่ า, าญาติโยมจบปศีท่านั่นแหะพ่อเขามากเขมาอยู่กับหลวงปู่หลา่าผู้เจ้าก่อเพราะทินนี่ก็เป็นทินลูกหลานทั้งหลายก็คงจะเคยไปผู้เจาก่อมุกดาหารวัดป่ากิลีบรรพตวัดผู้เจาก่อนี่แหละหลวงพ่อบวชจะหันเนี่คณะทศถ่ า, าญาติโยมลูกหลานพ่อจบปศีหลวงพ่อก็เขาไปคือขึ้นไปอยู่นําเพลนผู้เจาก่อ จากนั้นหลวงปู่พันกสวร์เออ ain, เด็กชายอินเวลามานอนวัดนะเนอเฮ้าสิบวัดเป็นเน่ดระบาดนี่ให้ตั้งใจเนะ น, นอก่อนสินอดให้ก่อนสิลับสินอดให้ไหวพระก่อนเป็นบอกนะแล้วไหวพระก่อนไหวไปทางไหนไหวไปทางหมอนนี่แหละเฮ้าหันหัวไปทางไหนเฮ้เาก็หันเฮ้าก็ไหวไปทางนั้นละ่ะจากนั้นเฮาก็กราบพุโทโธธัมโมสังโฆนิพพานัง เท่ากับพระพุทธเจ้าพาระถรมพระสงฆ์ว่าด้กาบเป็นพิธีเธอกาบเพื่อหวังพระดีพานจะไม่ขอมาเวียนไหวตายเกิดในวัตะสงสารจะบอกพุทโธธรรมโมสังโขนิพพานังนี่นิพพานังแถมไทยอีกเน้อเมื่อกราบแล้วก็ไหวแล้วแตอลหังสัมมาสัมพุทโธพระกวาพุทธทั้งพระเขวันต่างอภิวาเทมิกราบสวาขาโตกาบสุปฏิปโนโกาบจากนั่นก็นโมตัสะ พระขวาวโตจากนั้นก็พูดทั้งสรนั่งคัดฉามิทำมั่งสังข้างสารนั่งคัดฉามิจากนั้นท่าหากว่าสวดแต่เห้ยมกับว่าเนื้ออื่นต่อไปได้บอกบ่ได้กรับผมเออบ่ได้ก็เอานั่งปะน้มมือทำใจเหตุตรงๆนิ่งๆให้ใจจุกับเจ้าของจากนั้นให้แผ่เมตตาเนอแผ่เมตตาให้คือจังซี่ข้าพระเจ้าจงเป็นสุขผู้อื่นจงเป็นสุข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 จะได้ผูกอาคาตพยาบาทจองเว้นซึ่งกันและกันขอให้มีความสุขทวนนากันเพราะนั้นเข้าไปอยู่ในสถานที่ใดอยู่ป่าดงพงไพ่ภูผาป่าใหม่ทรรพสัตว์ทั้งหลายพวกงูพวกทัตว์ทั้งหลายพวกผู้มลุกคะเทวดาทั้งหลายก็อนุโมทนาสาธุ ก, การกระเพ้าพราเทามากบ่ได้วังเอาอย่างทั้งหมดมาแผ่เมตตาขอให้ทุก วิญญาณให้มีความสุขอย่างที่ข้าพเจ้าต้องการอย่างที่ข้าพเจ้าปรารถนาเนี่แหละประโยชน์ในสถานที่ใดบอเป็นผิดเป็นผิดคันห้ามีแพรเมตตาจจงซี่อันนี้คือหลวงปู่สอน เ, อเป็นสอน เ, อเด็กหน่อยจากนั่นก็ให้นั่งภาวนาด้วยปีิเนเอร์เวลานั่งประ น, นมมือซะก่อนเอานั่งขาขวาทับขาซ้ายนั่งคัดสมาธิขาขวาทับขาซ้ายให้ประ น, นมมือในระหว่างอกซะก่อน พอระวังอกหรอกนึกว่ายิ่งคู่สกปร์เวลาน้ปนมประโนมเมื่อขึ้นมาแหละนึกว่าพุทโธธรรมโมสังโฆพุทโธธรรมโมสังโฆพุทโธธรมโมสังโฆ ส, สามจบค <c oughs> ือเข้าจิตังภาวน่านี่คือเป็นแนวความคิดหรือว่าพระพุทธเจ้าพันสอนโมเมนผู้ใดผู้หนึ่งสอนเข้าอันนี้คือความรู้ของพระพุทธเจ้าเพราะนั้นเข้าจิภาวน่าเข้าก่อน น้อมจิตลำลึกถึงพระพุทธเจ้าสกปรเนอี่ยว่าพุทธโทษรมโมสังโทษสามจบจากนั้นเอามือล่องพอเอามือร่องกำหนดกาหนดร่มหายใจเข่าพุทธหายใจออกโทษหายใจเข่าพุทธหายใจออกโทษมีสติสัมปะชัญญะในร่มหายใจเข่าออกอย่าไปทรงจิตไปในอดีตจะไปคิดในเรื่องอดีตจะไปคิดถึงอนาคต ให้ใจอยู่ในปัจจุบันคือปลายจมูกนี่เท่านั้นอันนี้คือกรรมฐานพ่อแม่คู่บาอาจารย์หลวงปูมันเพิ่นสอนเนอจากนั้นคือจากนั้นก็ให้นั่งภาวนาพุทโธพุทโธพุทโธขานวะจิตใจของเขามันมันขาดมันถลําไปมากถลําไปมันคิดปุ่งพุ่งให้บริกรรมพุทโธให้ทีทีเนอพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธในความคืนนั้นย่าให้ใจมันส่งออกไปทางนอก นี่แหะวิธีการภาวนาเวลาภาวนาพุโทโธต่วิธีเดินนะทางเดินโยกรมเอ่อเข้ากำหนดทางเส้นทางที่เป็นเป็นทางเดินโกรมที่มันเรียบๆ ร, ราบๆเข้าจะเดินจากกุต้นไม้ต้นนี้ไปหาต้นไม้ต้นนั้นทางการประมาณยางหน่อยประมาณยนะี่สิบเก้าะทางเดินโยกรมทางเรียบแล้วให้เข้าประนมมือเออเวลาเขายืนแล้วให้เข้าประนมมือไหวครู่สัก่อน พุโทโธธัมโมสังโฆพุโทโธธัมโมสังโฆยืนปะนมมือเช็ดแล้วก็เอามือรงอย่าไปเอามือไขว้หลังข้นานมือไขว้หลังเป็นทานักเล้งหลวงปู่หมันพันสอนอย่างที่หลวงปู่หล้าพันบอกนะใกล้ข้าวไกวแขนเนี่ยทาบอกข้อหลบถ้าเอามือกอดอกเป็นทาเจ้าทุกลักษณะที่มีคนมีทุกข์ในใจเอามือกอดอก ต้องเอาฐาล้ำพึ่อนาล้ำพึ่อคือเอ า, เอามือลงในระวางทองหน่อยให้ประสานกันมือขวาทับมือซ้ายจากนั้นก็ก้าวขาขวาพุทธขาซ้ายโท่พุดโเท่พุดโเทพุดโเ ท, โ ท, โท่ให้มีสติกับการก้าวเดินพอไปถึงส้นทางจงกรมทั้งุ้นแล้วให้เลี้ยวขวาหรือเลี้ยวซ้ายกับสุดแทดแต่แต่ตามเป็จริงเลี้ยวขวาจะดีกว่าเป็นการพระทักษิณเลี้ยวขวา พ่อเลี้ยวขวาแลยค่ะขาขวาพุทธโธขาซ้ายกับโทขาขวากัพุทขาซ้ายกับโธพุทธโธพุทโทพุทธโธแล้วมาถึงในเด็กก็เวียนขวายแล้วก็ก้าวขาขวาพุทธโธพุทธโธพุทธโธพุทธโธอันนี้คือวิธีการเดินโยกรมเมื่อเดินเมื่อยแล้วสองสามชั่วโมงแล้วเมื่อยแล้วให้ประนโนมมือขึ้นแล้ววางอกไหวคู่ซะก่อนพุทโธธโมสังโฆแล้วก็แผ่เมตตาบาปาถึง ให้แผ่เมตตาก่อนข้าพเจ้าจงเป็นทุกผู้อื่นจงเป็นทุกข้าพเจ้าต้องการความสุขอย่างไรขออ้อยมีทุกวิญญาณให้มีความสุขอย่างที่ข้าพเจ้าต้องการอย่างข้าพเจ้าปรารถนาโดยเทอญและกับบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้บำเพ็ญเดินจงกรมนางภาวนาด้วยธรรมโดยความตั้งใจด้วยบุญกุศลนี้ขอให้เป็นพละราษฎร์สงเกลียวูนุนข้าพเจ้า และก็พ่อแม่ปุญาตายง่ายบ่วงสาขนาญห ย, ยาตหยาติวิตสหายขอให้มีความร่มเย็นเป็นสุขสบายกายสบายใจทุกทุกท่กทานโดยเทินจากนั้นอย่าคอยออกจากทางใดังกรมหรือออกจากน่งสมาธิอันนี้คือหลวงปู่คู่บาอาจารย์เิ่นสอนลุกษซตนะพวกเข้าจะนําไปประพฤติปฏิบัติก็ได้นะสัทญานุ่มลูกลานอันนี้แหละเป็นสอนเบื้องต้นาหรับพวกเข้าทันทั้งหลาย วิธีการวายพาระรว่าการนั่งภาวนาจากนั้นเพื่อนก็นสอนอีกว่านี่คือกรรมฐานของหลวงปูหมันที่ต้นตะกูลของพวกเฮาหลวงปูเสาหลวงปูหมันเพื่นสอนพ่อแม่คูบาอาจารย์ของพวกเฮาจะเป็นสอนหลวงปูขาวหลวงปูฝัน่นหลวงปูเทศตรงปูตามหาบัวก็ตามเพิ่นสอนจังสี่ละสอนภาวนาแต่ว่ากรรมฐานของพระพุทธเจ้า เพื่อนก็ย้อนไปพูดอีกได้บ่อยก็มฐานของพระพุทธเจ้าเมื่อพระพุทธเจ้าไปบำเพ็ญอยู่ในป่าในประเทศอินเดียนหกปีนะล่องพิษล่องถูกล่องถูกล่องพิษล่องพิษล่องถูกเนีเวลาหกปีบางที่อดพักกาอาหารถึงสี่สิเก้าหมื่นผอมมัดอย่างเข้าเห็นพระพุทธเจ้าสิทธะบำเพ็ญทุกขกุริย า, าพร้อมอั้เพิ่นบำทรมานกายของเพืน่น เพื่อนว่าไม่ใช่ทางมันเป็นทางอัตกิลมัทถาไม่ใช่มัจจิมาปฏิปทาเพื่อนก็มาบําเพนสายกลางเมื่อบําเพนสายกลางในวันเดือนหกเพ่นนะ่ะนะเพื่นไรตัสรูเป็นพระ อ, อนุตตรสัมมาสัมโพธนนะิญาณเพื่อนเทศจังไรในคลืนวันนั้นนะในวันเดือนหกเพ่นพนะระโพธิญาณเพิ่นบําเพนในวันตศที่ตัดเลทท่านตัสรนะูมือนั่น วันเดือนหกเพนนายโสติยะได้นำํำญ้าคาผ่านมาเห็นจิตถทะนั่งอยู่ตามลําพังก็เล่นน้อมหยาค่าเข้าไปมอบให้ถวายเพลินแปดกามือเมื่อจิตถท ะ, ทะได้หยาค่ามาแปดกามืออารมาเกลียเป็นอาสนะที่นั่งจากนั้นจิตถ ท, ทะก็ขึ้นไปนั่งไปนางอาสนะพ่อนางอาสนะเสร็จแล้ว เพื่อนั่หนาไปทางทิศตะวันออกเลยเออผันผิ่นประพักไปทางทิศตะวันออกนั่งขัดสมาธิทํากายให้ตรงขาขวาทับขาซ้ายทํากายให้ตรงดํารงสติเฉพาะหน้ากําหนดลมหายใจเขา้าหายใจออก envelop. เออขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายทํากายให้ตรงดํำรงสติเฉพาะหน้ากําหนดลมหายใจเขา่ารู้ว่าหายใจเขา่าหายใจออก กลัวหายใจออกมีสติสัมปะชัญญะในลมหายใจเข้าออกอันนี้แหละคือกรรมฐานของพระพุทธเจ้าอะอันนี้ขวกเข้าฟังเอาไว้แต่กรรมฐานหลวงปู่มันหลวงปู่เสาพ่อแม่คู่บา่ายจานเผ่านะเพป็นว่าเวลากำหนดลมหายใจเขา้าบริกรรมพดหายใจออกบริกรรมโทนะเพิ่นน้ำกรรมฐานของพระพุทธเจ้ามาใส่สองอย่าง คือกรรมฐานของพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นว่ากรรมฐาน40กรรมฐาน40ที่จะทำให้จิตใจสงบ น, นมีกรรมฐาน40อย่างแต่หลวงปู่หมันหลวงปู่เสาเาเพิ่นนํ่มาใส่สองอย่างคืออาณาปานสติกำหนดลมหายใจเข้าแล้วก็หายใจออกพร้อมกับบริกรรมหายใจเข้าพดหายใจออกโทนี้แหละคือกรรมฐาน ของพ่อแม่คู่บ่าจาย์ของพวกเข้านะขณะ ท, ท่าญาติโยมนําไปประพฤติปฏิบัติได้บัดนี้แล้วนั่งภาวนานี่แล้วผลนันเป็นอย่างไรเกิดประโยชน์จังไรเป็นอยังเป็อนอยังไห้นั่งภาวนา เ, นเพิินว่าเวลานั่งภาวนานี่ยเวลาทําจิตใจบังคับให้จิตใจอยู่ในความสงบอย่างพ่อแม่คู่บ่าจานหลวงปูหลวงตา ไปอยู่ตามผู้ผาป่าใหม่อยู่ตามถ้ำตามเหวอยู่ตามป่าชาติในทีกูกลัวเพิ่นจะไปนั่งภาวนาในภาวนาเนี่เวลากลัวเนี่ยจิตใจมันบวชทรงออกนอกเด้เออมันจิตทรงมันอยู่จิวครับเจ้าของวันไปขั้นอยู่หมงงบู่กลัวเนี่มันจิตใจมันนอนใจมันมันใจมันล่อไปเรื่อยขั้นไปโยนในผีป่าซาไปโยนในถ้าบอกโยนในทีอันตรายยังไงเนีไผกูกลัวเลยเพราะกลัวเลยกั ให้บริกรรมพุทโธพุทโธมันก็จะอยู่กับพุทโธได้บ้างอยู่กับลมหายใจเข่าหายใจออกพุทโธพุทโธพุทโธเออค่ายๆมอบกายถวายชีวิตกับพระพุทธเจ้าพระธรรมประสงค์เลยละท่นี่นี่เมื่อจิตใจเมื่อเห่าบวคิดปุ่งไปทางอื่นจิตใจก็รวมสงบลงเป็นหนึ่งจิตใจมันมีสมาธิมีอยู่สานี่ยหลวงพ่อเคยพูดให้คณะสัตว์ไญาติโยมฟังนะสมาธิมีอยู่สมมีอยู่สาขั้น คณิกะสมาธิทําจิตใจให้สงบและอุปจาระสมาธิจิตใจสงบในระดับสองอัปปนาสมาธิจิตใจสงบในระดับสสมาธิมีอยู่สามขัน้นนี่ที่พ่อแม่คู่บ่ายจานเพิลนบอกกล่าวนะคณิกะเนี่คืออย่างเข้าพยายามทำจิตใจให้สงบบ่ให้จิตใจปุ่งฟุ่งไปทางอื่นให้โยกับกรรมฐานพุทโธพุทโธพุทโธในร่มหายใจเขาออกนี่นะ ก็คิดไปถึงอดีตก็ต้องคิดถึงอนาคตบางครับให้อยู่ในความรู้สึกในปัจจุบันจิตใจจะร่วมสงบในระดับหนึ่งมันจะวาดเย็นเย็นพิษปกติมีความเย็นสว่างนในจิตใจแต่มันก็เพียงแต่วาดเท่านั้นมันก็หายลดไปทางอื่นอีกเพราะอันนี้เรียกว่าคณิกะคือว่าจิตใจร่วมสงบประเดี๋ยวประดาวเป็นคณะจิตหนึ่งก็เรียกว่าคณิกะสมาธิ แต่ถ้าถึงคณิกะก็จะจำบ่ลืมเลยจำบ่ลืมมีความสุขนึกนึกจิตใจในช่วงนะั้นมันเป็นยังไงมันมีความเย็นมีความสุขเหลือเกินในคณะจิตเป็นยังสัน่นอันนี้ก็คือนี่แหละอันนี้คือคือคณิกาอพอเข้าพยายามอีกนีนึงพ อ, พอทรงจิตไปทางอื่นพยายามจิตใจของเราบ่อยปุ๋งฟุ่งไปทางอื่นให้ยึดกรรมาฐานพุทโธพุทโธอย่างเก่านั่นแหะจากนั้นจิตใจของเราจะ รวมแต่ไม่ถึงไม่ใช่กับรวมแบบจิตใจอยู่นะจิตใจมันอยู่มันไม่ปุ้งมันไม่ฟุ้งมันไม่ส่าไม่ไม่หิวไม่หอยจิตใจอยู่กับตัวเองนะจิตใจอยู่กับเจ้าของมีกรรมฐานเป็นผูกควบคุมอยู่สติควบคุมใจใจจะคิดอย่างสติควบคุมอยู่ตลอดคือกันครับง่วเมื่อจะไปใสนี่ยเจ้าของเจ้าของง่วเนี่เสื้อหมัดง่วงเบิ้งมันจะไปกินยามันจะไปกินอย่าง มันจะอยู่กับสติของเฮาพวกคุมจะใจโรงนั้นอยู่ตลอดคือการเจ้าของพวกคุมง่วจงังจะหลับอันนี้ก็คืออุปจาระสมาธิจิตใจบ่หิวไม่โหยจิตใจบม่มีทุกข์จิตใจคิดเรื่องอยังท่านเจ้าของสติอยู่กับตัวเองในขณะนั้นแต่เมื่อเฮาอยู่ในขณะนั้นจิตใจจะร่วมสงบลงไปอีกระดับหนึ่งบาง เรียกว่าอุปปนาสมาธิจิตใจรวมสงบแบบแบบว่าล่งแบบนิ่งรวบแบบสงบลึกนะกลงไปจิตใจนิ่งพอจิตใจสงบนันนี้สติเป็นอันใดจิตเป็นอันนั้นจิตเป็นอันใดสติเป็นอันนั้นสติกับจิตเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันบอรับลู่ทางกายได้ป่าเนี่ยทั้งตาเนี่ยทังหูเนี่ยทังตาบว่ารลรับอยู่แล้ว แต่ทังหูเนี่ยพอได้ยินเสียงอีกยังทั้งวัดพอรับปลูกเสียงฝนตกเสียงฝ้าห้องฝ่าผ้าใจของเฮาจะบอรับปลูกทั้งกายเลยใจของเฮาเป็นเอกเทศส่วนหนึ่งกายกับใจนี่เป็นคนละส่วนกันเลยนี่แหละอันนี้ว่าจิตที่เป็นอัปปนาสมาธิจิตประเภททังสี่ละ่ะหู้ได้ด้วยตนเองนะคการทัศน์ญาติโยมพระเนธน้องนุ่งทั้งหลายจิตใจสาวร่วมสงบดวงจิงสี่เล่าเดียวว่ากายกับใจใจกับกายเลย รู ป, ประทับและนามธรมับเห็นได้ชัดรู ป, ประทับคือร่างกายนามธรรมคือจิตใจนี่แหละมองเห็นตัวหน้ามธรรมเลยได้บ่ายเลยถ้าจะเปรียบให้ชัดเจนก็คือว่าหลวงพ่อเคยเปรียบเทียบ ว, วา่าโรู ป, ประทับคือรถนามธรรมคือโซ่เฟอร์รถรถกับคนขับรถกนรถขัน้นไหนจะไปได้ก็ต้องอาศัยโซ่เฟอร์อาศัยคนขับ พอให้ดันพระพุทธเจ้าพึนจงยกเป็นพระบาลีว่ามโนปุพังขมาธรมามโนเศรษามโนมายาเรื่องทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นหัวหน้าสําเร็จแล้วด้วยใจพราท่านั้าเข้าจะเปรียบเทียบให้พูดให้ชัดเย็นกว่าวรถคันนี้น่ะโซเฟอร์เป็นใหญ่โซเฟอร์เป็นหัวหน้าสําเร็จด้วยโซเฟอร์ธนว่าโซเฟอร์บกขืนไปขีม่มันมั่นก็ไปบ่อไร คันว่าโซ่เฟร์ขึ้นไปคลับมัน่นเออมันก็ไปได้แต่เมื่อมบรรคุโซ่เฟร์ขึ้นไปคลับแล้วโซ่เฟร์นิสัยบอดีเออไปเยียวไปเหยียบ ไ, ไปเฉีย ว, ไ ป, ยวไปชนคนอื่นเขาคนนิสัยบอดีน่ยนิสัยบมมีมารลยอย่างนิสัยบมมีคุณธรรมศีลธรรมใน จ, ใจิตใจบ่ยานบาปเห็นหมาก็เหยียบหมาเห็นข้อนเฉียวชนขอนเออขั้นบอ่ออะไกันนะเออขั้นเห็นคนบ่เห็นผัวได้เย็นเนี่ยกยบไปหลดเออจังสี่ละ่ะ แล้วก็บีบแก่ดาค้อนอีกต่างหากเพราะอะได้เพราะโซโฟเฟอร์บมมีมารยานี่แหละเพื่อนว่าโซลด้านนี้เลยโซฟเฟอร์เป็นใหญ่โซฟเฟอร์เป็นหัวหนา้าสําเร็จด้วยโซฟเฟอร์อันนี้คือการร่างกายของเข้านะเนี่ยมโนปุพังขมาทํามานคือเรื่องทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นหัวหนา้าสําเร็จแล้วด้วยใจนี่แหละทําจิตใจให้สงบเพียงเท่านี้ละ่ะพวกเข้าจะหูได้บั้ ตายเราเกิดหรือตายเราสูญหู้จักโดยใด ต, ตัวตนเองนะคณะสัตท่ายาิโน้มนะตายเราเกิดหรือตายล้วศูญเนี่ยต้องถามไผ่หู้จัก้วยตนเองนะเออที่พระพุทธเจ้าบนว่าตายเราเกิดเนี่ยวิญญาณคือตัวนี้แหละที่จับหายจิตใจสงบเนี่ยที่เป็นอัปปนาสมาธินิตใจกรับกายครับใจร่างกายี่แตกตายสลายแน่นอนเพราะเป็นอย่างอื่นเออ พราะเกิดกินมาแล้วก็แก่แล้วก็เจ็บพระก็ตายแต่ส่วนจิตใจหรือวิญญาณดวงนี่นะจะออกจากร่างเมื่อออกจากร่างก็ไปปฏิสนธิคณะว่าใจเมื่อคณะที่เข้ายังมีชีวิตอยู่ยังสิละ่ะไอ้พวกเข้ามารักษาศีลมาไหวพระมานางังเทวนาจึงสิละ่ะไอ้พวกเขาก็จะ เ, เป็นบุญเป็นกุศลเพราะเหตุใดเพราะเข้ามาบำเพ็ญบุญกุศลเข้าสู่จิตเข้าสู่ใจของเข้าเลย มาบอเพ้นให้โซเฟอร์ออกไปรถข้าเนยไงโซเฟอร์ขับมาเออมาบอมเพ้นกุศซนเมื่อบอมเพ้นแล้วกนั้นเออบุญกุศซนก็เข้าสู่โซเฟอร์จิตใจคงเอ่อจิตใจคือหน้นา ม, มาัธยมหน้า ม, มาทยมเป็นผู้ได้รับในเมื่อถึงข้าวมาแล้วร่างกายนี่ลดรถตันี้มัดสภาพเออเมื่อมัดสภาพแล้วก็เออร่างกายน้่ก็แตกตายสลายสู่ดินน้ำลมไฟ ส่วนหน้ามาทถ้ำก็ออกจากล่างนี้บ้านไปปฏิสนธิไปเกิดในภพภูมิต่างๆเพราะนั้นพระพุทธเจ้าเพิ่งยังบอกว่าในขณะยังมีชีวิตอยู่เนี่ยให้บำเพ็ญคุณงามความดีเนาะอย่าตั้งอยู่ในความประมาทให้บำเพ็ญบุญกุศลตายแล้วบริสุท์เน๊ตายแล้วเกิดอีกอยากจะหู้จักตายแล้วเกิดถ้าตายแล้วสูญให้นั่งภาวนาท้ำจิตใจให้สงบให้จิตใจใหเป็นหนึ่ง เมื่อจะดคิดใจของเฮาเป็นหนึ่งแล้วเนี่ยนะเฮาจะรู้ได้ด้วยตนเองว่ากายกับใจใจกับกายเนี่เป็นคนละอันกันเพราะฉนั้นเพื่อนยังบอกว่ากรรมชั่วอย่าทำซะเดีกว่าเพราะกรรมชั่วเมื่อทําแล้วจะทําให้ตนเองเดือดร้อนเมื่อภายหลังให้สร้างตาบุญสร้างกุศลเข้าสู่จิตเข้าสู่ใจของพวกเฮาเยาวาปรุญญานิปัลโล ก, กัตมิงปฏิฐาโหนติปานีหนัง บุญย่อมเป็นที่พึ่งของสรรพสัตว์ทั้งหลายทั้งโลกนี้และโลกหน้าเพราะนั้นขอให้คณะรัาญญาตยาธิโย่ทุกขณ์นะที่มาบําเพ็ญบุญกุศลในมือนี้ที่หลวงพ่อเห็นเลยก้าพรืมจิตปรืมใจเห็นคณะสัทยา ญ, ญาติโย่ลูกหลานทุกขู่ทุกคน์แต่มาบําเพ็ญกุศลในมือนี้หลวงพ่อขอบคุณและขออนุโมทนาในบุญในกุศลของคณะสัตย า, ญญาติโยม การกล่าวสัมมนาทฤษฎีคาถาในวันนี้ก็เห็นว่าสุขข่วนกับการเวลาด้วยอำนาจคุณพรีรัตนตรายพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายปุ่นบา ร, รมีพ่อแม่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอให้คุ้มครองคณะศรัทธาหยาิโยมพระสงฆ์ขอให้มีแต่ความสุขกายสบายใจปรารถนาสิ่งใดอยู่ในกรอบของศีลธรรมก็ขอให้สมหวัง ดังปราถนาทุกทกท่านเธิน